ท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านน้องหลาย เรื่องหลายตายนี่เป็นการแก้กันขนาดหนักทั้งทางราชการบ้างทางหมอ แทนว่าใน 14 ค่ํา 6 วัน 15 ค่ํา 6 ของพระ 15 หรือ 6 ก็ 3 องค์ ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราจะ <c oughs> ก็ถือว่าถ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เป็นใช้ได้จะเป็นภาพเป็นพุทธะนี้ ถ้าจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจตดีราชบูชาพระพุทธรูปก็เราก็ไม่มีแล้วก็บูชานึกถึงพระจะนั่งเฉยๆก็ดูท่า ถามว่าเราจะไปไหนกันดีเค้าเลยบอกว่าทางที่ดีก็ แต่การไปไหนได้ก็ไปแค่ยันพรหมไม่ถึงนิพพานเรื่องจริงมันเป็น เราไปช่วยเวลาพอเดี๋ยวเดียว 24 ชั่วโมงแล้วไป ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเอง <c oughs> พวกเรา 3 คนเห็นก็นึกในว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอลายพาดกลอนแล้วก็ก็รู้สึกว่า 3 คนพออิ่มพอพูดตอนนี้เลิกอะไรวะ ก็ว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่อีก 2 องค์ก็อีก 2 องค์ ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจ เริ่มภารกิจกอหงใหญ่กังวลก็ยังมีอยู่ถ้าไปปฏิบัติ 3 หง หลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดเจนแจ่มที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรหมแล้ว ก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากผมก็ขอไปพรม <c oughs> <c oughs> นั่งทำสมาธิไปจิตใจ อันเขารู้ยังไงอาตมาไม่ทราบสัก แล้วไม่ใช่มีกําลังใจ เสียงเหมือนพระปานชัดเสือพูดภาษาคน ชาตรงนี้ปราฐนาพรมพ์ก็ดีถ้าปราฐนาพุทธภัพมื์ตั้งใจไปพรมลงความว่าทุกองค์ตัด شินใจถูก ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ม้าอาชาในไม่ใช่พระเจ้าจักภัทิ์ต้องกลัวแต่กลัว ถูกต้อง เขาก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้ยังไงท่านเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรก็ แต่ ทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานก็แล้วเงาก็ไม่มี เมื่อน้องพ่อน้องเม 2 หายไปพวกเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จำ <c oughs> คำว่าเดี๋ยวนี้ปั๊บก็ปรากฏว่าถึงจุฬามนตรีเจดีย์สถานเป็นการอวดอุทฤทธิ์มนุษย์ธรรมมั้ยท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ กล่าวความว่าคือมาถึงจุรามนีจีรีสถานสิ่ง การแสดงพระธรรมเทศนาของพระเจ้านีรามไม่มากตรงๆเทศให้เข้าใจเรื่องขันธ์ 5 คนที่ตายจากความเป็นคนมาเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีร่างกายของทุกท่านไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขคือท่านทั้งหลายที่ยังไม่ <c oughs> ร่างกายนี้ก็แท้ก็ไม่มีฉะนั้นเธอทุกคนจงอย่าประมาทชีวิต โดยเพราะอย่างยิ่งสกายทิฐิให้มีความรู้สึกกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีถ้าร่างกายมัน ถ้ากําลังใจยังไม่ถึงนิพพานเรามาค้างสวรรค์หรือค้างปรมโลกเท่า 6 เค้ากลับลง การใส่มีปริมาณอาหารเท่านั้นมาหลายองค์ต่างคนต่างใส่ปริมาณอาหารเท่าเดิมคือ ในเมื่อเรามีความสุขมันก็มีความสบายทั้งทั้งวันทั้งคืนแต่ ถึงเวลาประมาณ 4:00 น. น, น, นตอนนั้นผู้เขียนปวดที่สะมากมันปวดมากผิดปกติ <c oughs> มันปวดก็ทนปวดมันจะ พอคิดเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพองค์สมเด็จ <c oughs> เป็นเด็กผู้หญิงอยู่อยู่วงเป 4 ปีมาเธอคลอดออกมา จะไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยไปโรงเรียนก็ต้องมาไปด้วยจะ 4 ปี มันลากะเธอตายไปแล้ววันนั้นก็หลายปีหลาย แล้วถามว่าหนูเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าอยู่ชั้นปาริมิถวาสสวัสดีก็ถามว่าบุญอะไรที่อยู่ชั้นปาริมิถวาสสวัสดีเธอก็บอกว่าตายเวลานั้นพี่ไม่อยู่ไปข้างนอกบ้านน้อง มีการอยากน้ำละร้อนภายในมากเรียกขาพี่ไม่พบจิตเกรยคิดถึงพี่ทั้งทั้งที่ในอากาศก็มีเทวดาในที่สุดคอยพี่ไม่ไหวก็ต้องไปแต่ไปชั้นประนิมิตรว่าสาวดีเพราะว่าตายนอกชาญไม่ได้เข้าชาญตายเป็นกำลังเศรษข้นชาญสีอ่อเธอพูดเท่ อ่าท่านมาถึงท่านก็มาในรูปเต็มอัตราเขียวปอไปเลยมาถึงเต็มที่มีร่างท่าก็สวยเครื่องแต่งกายก็สวยอีก 2 ก็ยกมือห้ามพระพุทธคุณเจ้าจะกราบ แต่ว่าถ้าเก่าศีเวลานี้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปนานแล้วอาจจะเป็นพระ ถ้าท่านบอกว่าไม่ต้องถามสององค์ก็ถามว่าเป็นโลกอะไรท่าน <c oughs> ถ้ากํา การอยู่ในป่าของคุณจะไม่อยู่ในป่าเฉพาะคราวนี้คราวเดียวต่อไปการทุรดรงจะ 10 ปีถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาจะปวด 4 คำเด้อกรอบแปบผมทํา 3 ครั้ง ต้องขออภัยท่านผู้ฟัง บางคนก็ถ้าคนไหนไม่ให้คนก็ป่วยตามนั้นโดยคนโกงก็ 3 ครั้งเลยบอกสลานเลิกคาถาบทนี้ไม่ แต่ที่พินาศเพียงใดที่คาถาของพระๆแนะนําในวิธีลีลาการ <c oughs> ถ้าจะไปที่ไหนก็ตามให้ตามรักษาในเขตของตัวถ้าท่านจะไปพ้นเขตให้แจ้งเทวดาในเขตนั้นตามรักษาต่อไปอย่าให้มีอันตรายนะถ้าลูกของฉันมีอันตรายเมื่อไหร่พวกเธอมีโทษหนักและอีก 2 องค์นี่เหมือนกันคันธนาที่ท่านไปเพื่อนกันไม่พูดปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วต่ออนุชนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระ ถือว่าเป็นปุชนเพื่อทำลายเป็นบุคคลผู้ทำลายหวังทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทตวาร <c oughs> เมื่อไปแล้วพวกเราก็มานั่งอยู่มันก็ท่านเดินทางมาเป็นคนขัดหลังมี <c oughs> สายอะไรบ้างก็ไม่ทราบ 3 องค์อยากจะย้ายที่ใช่ไหมครับถามว่าทําไมโยมจึงรู้โยมแกก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะรู้เพราะอะไรไม่ใช่หน้าที่ของท่านอ่าถ้าเพียงว่าท่านอยากจะ <c oughs> ท่านก็บอกว่าถ้าจะย้ายท่านก็ย้ายไปฝั่งทิศตะวันตก <c oughs> ถ้าโดยเพราะยังยิ่งการฝังไว้ฝังไว้เป็น แต่ก่อนที่พม่าจะ 2-3 วาระในที่สุดเมืองหลวงของประเทศ 6 ทรัพยากร ถามโยมแก้วอาโยมอยู่ในที่นั้นหรือท่านบอกว่าผมอยู่ครับผมอยู่แต่เวลาเพราะว่าเวลาที่เขาจะ วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแต่